ผ่านสาทุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาคบูชาในวันนี้ <c oughs> ก็ยังเป็นการบรรยายเรื่องปะทินกะเือต่อประจำเดิมกลายเป็นว่าภาคนี้กายเป็นภาคพิเศษพูดเรื่องเป็นเตเลตปะทินกะไม่ติดต่อกันเป็นชุดใหญ่ๆเหมือนครั้งที่แล้วมาเพราะว่ามันมีความประจวบเหมาะหรือความบังเอิญให้ต้องทาอย่างนั้น เมื่อเราไม่ยดถือเรื่องพิธีเล่าเบียบอะไรให้มันมากมายแล้วก็ทําได้แ่โดยพูดเป็นเรื่องปกิณนนกะเรื่องเดียวจบเรื่องเดียวจบอกันไปสักภากหนึ่งก็จะดีเหมือนกัน <c oughs> ซึ่งในครั้งนี้จะได้ให้หัวข้อว่าอะตมยตาอิกทีอะตมยตาอิีกทีทั้งที่พูดมาแล้วก็พูดซ้ำอีก <c oughs> จะเรียกว่าเป็นเรื่องลงทางอยู่เรื่องควันลงของอะตมยตา ก็ยังได้ทำไมสิ่งเรียกว่าเรื่องควันหลงเสิ่งที่เลื้ออยู่เ็กไม่น้อยนี่ก็เพราะได้ข่าวว่ามีใครบานคนตั้งคําถามขึ้นมาว่าแล้วทําไมเพิ่งพูดเรื่องอามวิญณตาเดี๋ยวนี้คือปีนี้คราวนี่้ทําไมฮวงไว่าไม่พูดตั้งหลาสิบปีนี่สิบปีสาิบปี่สิบีไม่เอามาพูดหวงว่าหรืออย่างไร หรมีเล่เรียมอย่างไรจะอุบไว้ขายต่อเมื่อไรก็มีความสงสัยกันขึ้นมาอย่างนี้นั่นก็มีเหตุผลเหมือนกันที่เขาจะคิดอย่างนั้นจะถามอย่างนั้นจะสงสัยอย่างนั้นแต่มันกลายเป็นเรื่องที่หน้าหัวท่านทศรถอาตจจมาเพราะว่ามันมีเหตุผลที่ตรงกันข้ามไม่ได้กลับไหวเหมือนกลับสินค้าหรือว่าอุบไม้ขายต่อเมื่อถึงเวลาจะขายแพงๆในตลาดนี้ แล้วมันเป็นเพราะว่ารออยู่ก่อนรออยู่ก่อนรออยู่ด้วยความจําเป็นให้คบควบกบอะในสาบัวนั่นมันโตขึ้นมาพอตรงมกุลถึงจะรู้เรื่องถึงอยากอยากได้หรือว่าให้จะวักอะมันรู้ภาษีภาษาขึ้นมาสักหน่อยจะได้รู้รสแกงฮะเดี๋ยวนี้ใ น, น ก, กบนี่มันก็ไม่รู้รสนะเคสอนดักไม้เอาไปเลยจะวักเขามันไม่รู้เรื่องรสของแกงเอาไปเลยต้องรอก่อน ทีนี่รอไปอีกไมได้เนมันจะตายแล้วทั้งคนพูดและทั้งคนฟังที่ทั้งกบและทั้งจวักนี่มันจะต้องตายไปด้วยกันจะแล้วครับก็จึงเอามาพูดที่จำเป็นจะต้องโต้ตอบเพราว่าก็ทั้งหลายไว้เราก็รออยู่เท่านั้นเพราะว่าแม่พูดไปมันก็จะเหมือนจะเป่าปีให้เตาฟังมันจะได้คนอะไรคนเตาก็เหนื่อยเปล่าให้เตามันก็คงแต่ลำคาญแน่เหมือนกันเพราะมันฟังไปรู้เรื่องมันเลยไม่ได้อะไรก็มันมีแต่เสียทั้งสองฝ่ายจริงๆยังไม่พูดยังไม่พูด รอให้จังหวะมันมีวิญญาณมากหน่อยให้ปกมันเจริญด้ยความรู้สึกอะไมากพอสมควไปก่อนจริงค่อยพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้มันยาวคายรือไม่ก็แล้วแต่เถอะัแต่ว่าความจริงมันมีอยู่อย่างนี้แหละมันช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าผู้สึกอัตม า, นะผตาผู้ศึกษาผูดออามาพูดนี่กระชั้นเวลามากเหมือนกันใช้เวลามากที่สุดยี่สิบสามสิบปีกว่าจะเข้าใจเรื่องอาตมมัยตาเนี่ยกว่าจะเอามาพูดจริงจรงจรัก็เมอ วันมาฆ่าบูชานี้เองนั <c> ่ <oughs> มันเป็นเรื่องเหมือจับเตรียมตัวตายกลัวว่าจะไม่ได้พูดก็เลยเอามาพูดสันติสิมันจะต้องกล้าได้ว่ามันเป็นเรื่องที่ลึกที่สุดยากที่สุดในถ้าใครปิดดกมันเป็นผลสุดท้ายที่เจอถึงได้รับถ้าได้รับก็าเป็นหน่อหมดปัญหาใคมีธรรมเนีตาก็ถืเป็นสุดท้ายการปฏิบัติ ถ้าจะเปรียบตัวเสียมันดาบเล่มสุดท้ายที่จะตัดเองสิ่งที่ก็ต้องตัดในด้านของธรรมาปฏิบัติก็จะเปรียบสมมติดาบเล่มสุดท้ายถ้าจะปรีบใน้นของการปฏิบัติมันก็เหมือนเพชรเพชรน้าเอกที่จะให้ความขอใจสูงสุดหรือเป็นอันสุดท้าย <c oughs> เป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจมันก็จะพิดก็หน้าหัวเลยจะเป็นเพราะไม่เข้าใจคำคำนี้หรืออย่างไรการทั้งไตรมาสมันก็ไม่ได้แก้ไขชําระคําคํานี้ ทิ้งไว้ให้กำควรวมพันเฟือในที่บางแหง่งเรียกว่าอกรรมะยะตาก็มีในที่บางแห่งเรียกว่าอคำเมะยะตาก็มีจะที่ทุกในที่บางแห่งหลายแห่งเหมือกันเรียกว่าธรรมเมตตามันจะเอาอย่างไรกันนตระกูลดุเข้าใจว่าผู้ลังคายนามันไม่มีความรู้ก็ได้ที่ปล่อยว่าทั้งสามอย่างอย่างนี้ถ้าทว่าไปนึกถึงตัวอักษรของวงกลมขึ้นขึ้นซีดคว่ำลงวงกลมขึ้นซีดแล้วคว่ำลงตัวอักษของถ้าไม่มีบัวอะไรเลยเป็นจกวกอ มันเป็นมีหัวนิดหนึ่งที่ทางใต้มือมันก็เป็นตัวคอแต่ถ้ามันมีหัวโตเป็นที่มันเป็นตัวต่อตัวกอตัวคอตัวต่อมันทำร่มกันอย่างนี้แล้วคนจะได้เขียนกันทั้งสามน่ะคือจะมีมีหัวมีหันิดนึ่งมีหัวใหญ่มันก็เลยมีทั้งกรรมยตาธรมมยตาธรมมยตาความยุ่งยากลมบากของคำนี้เมื่อคููทั้งคนาตลอเขาไม่น่าใจก็ไม่จ่ายแก่จากที่เขาทอกรรจาซ้นท้อมั้งแรกแรกเมื่อมีทั้งสามอย่างอัตมทาอธิบายไปคนละอย่างแหงออย่างสองอย่างแหงหนึ่งอย่างแหงหน พูดไปกับเรื่องแบนีน้ดูทุกข์าอัธกถาการว่าไม่รู้เรื่องนี้อธิบายว่ากับใจไม่ได้ถ้ามันพิจารณาใครควรจะเป็นปีเป็นสิบปีท่านจับใจความได้ว่าโอ้ก็มันเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดถ้าจะยากที่สุดเอามาอธิบายก็ยากที่สุดจะพูดก็าา ย, ออยากที่สุดพดยาย <c oughs> ามที่จะเข้าใจพยายามที่จะเอามาใช้เป็นประโยชน์และท่านก็นมาพูดที่รู้เรื่องกันในฐานนะที่ว่ามันเป็นเพชรน้าเอกเพชร เ, เม็ดสุดท้ายท่าใครได้ก็หมดเรื่องที่จะต้องยุ่งยากลำบากนี่คือเคุ้มประชิการทหัาอาหารพิเลศ แล้วมันก็เป็นดาเล่นสุดท้ายถ้าเรใช้ดาไันนี้แล้วมันก็เป็น ม, นมเรื่องที่จะต้องตัดต้องปันที <c> ่ <oughs> เลยไม่ได้บรรยายทาไม่แน่ใจว่าจะบรรยายออกมาอย่างถูกต้องยังไม่มีฟันแน่ใจพอเขพูด <c oughs> ถึงบ้างแต่เสมกว่า อ, อธิบายเดี๋ยวนี้มันแน่ใจพอมันจะผิดก็ผจะถูกก็ถูกแต่ผมเชื่อครับว่ามันถูกแล้วเดยวทำมรดีบายอย่างนี้แต่ก็ไม่วายเลยรู้สึกเบือ่อเหนื่อยรวมหน้าว่าจะไม่มีผู้เข้าใจในมรดีบายอย่างไรอย่างไรกบก็ยังคงเป็นกบจะหวัดก็ยังคงเป็นจังหวัด มันก็จะเหนื่อยเปล่าไปตั้งสองฝ่ายจึอร้องว่าตั้งใจฟังเป็นจกหน่อยเถอดแล้วคิดใกล้ควรันให้มากเถิดไม่ต้องเอาไม่ทัดการตรงไหนก็ถามเถิดถึงถามแต่ฟังใจใจแจ่มจ่ดีได้บกเขาให้ย้ำไว้แม่นยำํำการทั้งเอาไปกระพริบปฏิบัตจิจนเกิขึ้นมาแล้วก็ไปหนีไปไหนจะอยู่กันเรื่อยตัวตลอดไปสรุปความว่าเข า, าเป็นนักศึกษากันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในกรณีที่เกียวกับทาคํานี้คืออัตตมัจจาอาตตมัจจา ม้แต่ชื่อบุตตาไม่ได้อใครท่องได้แปดหมื่นครั้งแล้วก็มีอะไรตัวได้มาเอารถมาลับไปนิพพานได้ทำมัจจตาทำมัจจต า, ตา <c oughs> จะบแล้เป็นใครก็จะสรุปความเปง่ายว่าความที่ไม่ต้องอาศัย <S <S สิ่งที่เคยอาศัยมาแล้วอีกต่อไปไในความนี้ไม่ต้องอาศัยสิ่งที่เคยอาศัยเป็ดปัดย่ายที่เคยอาศัยอะไรที่เคยอาศัยทุกอย่างเลยไม่ต้องอาศัยมั น, นอีกต่อไปคือตามวันกรรมนี้ เีเป็นใช้ก็ยุ่งเรีย ก, ยกยเป็นบาตีกันไปตามเดิมดีกัอาตมายตาอตัมมายตาอยากแกูดเป็นมลนขับไล่ผีมลติดแล้วขับไลผ่ผีแล้วก็จะมีคำพูดจะรู้กันว่ากูไม่เอากับมึงต่อไปสกูไม่เอากับมึงต่อไปกูปไม่เอากับมึงต่อไปออะไรหลายหลายอย่างหลายหลายงที่มันเคยจะมันเป็นทุกข์เราล่อนทนทรมานผูกพันบุญญา่อเนืนเ่ได้งหมดนกูไม่เอากับมึงต่อไปเขามีสนนนั้นมันจะแวบเข้ามาในความรู้สึกไล่กัเพื่อกูไม่เอากับมึงต จแม่ได้ม่ในเรื่องโรคโลกเรื่องชาวบ้านเรื่องโรคโลกเรื่องโล ก, โล ก, โล ก, กมากๆ้นี่ยทำได้อะไรที่มันทำให้เกิดความยุ่งยากหรบอหมากไย์ไม่สงบจุขเนี่ยปเ้งยาวตมึงอีกต่อไปแต่แรกมันจะเรื่องที่ทำง่ายทำมันลูกคนนี้ลูกคนนี้นะมันแสนจะอันถ า, านเร็วร้ายทาความเรวร้อนในคอแม่ไม่รู้จกกากสีทั้งสีขข่ครั้งหนึ่งตาลังหนตาติลังเป็นโหิอยู่แล้วก็ตัดมันไม่ได้ตัดมันไม่ได้จนกามันจะตัดเราไปได้ปู้งยาวมึงอีต่อไปนั่นคือความหมายของคาว่าอัมมัตเตตา ปัจจัยทั้งหลายการกระทําหรือพฤติกรรมและการปรุงแต่งในทุกอย่างที่มันเคยทำมาแล้วทําให้ติดจมอยู่ในกองทุกข์ตอบที่นี่คูจะไม่เอากำมุ่งีกต่อไปมันเหมือนกับอะไรคนโบราณเขาถือตามแบบโบราณศิลปศาน่รนะ์ตัดตัวนี้มันเป็นอุบาทเรียงวาก็มีแต่ความเสมเสียยุ่งยากลำบากเป็นแมวเป็นสุนัขไม่ไดเป็นไก่เป็นอะไรเก็มีตัวนี้มันอุบาทคือ ม, มีวาก็เป็นทุกข์เอาไปปล่อยวักเอาไปทางไหนสิวายจะสลัดออกไ ป, ไ ด, กกด ไ, ป ไ, ดได้ทั้งหมดยากถ้าสลัดออกไปจะได้มันก็หมดความทุกข์ มันมีเสน่หอย่างยิ่งอะไรอันหนึ่งซึ่งมันผูกพันลึกซึ้งมากโดยทัญชาตญาณก็กล่าวได้นรือว่าโดยอวิชาก็กล่าวได้อย่างหลงรักในสิ่งที่เป็นอันตรายเป็นกบฏเป็นภูมิใจสุดตรงนั่นก็อย่างธัญญาลาวมีมีความรักผูกพันกันลันกยากที่จะตัดตัดได้แม้มันจะเรวมันจะชั่วอย่างไรมันไปยังยากที่จะตัดออกไปได้มันทีจะตัดไม่ได้ทั้งที่เรวหรือชั่วการที่ตัดออกไปได้นี่คือความหมายของอะตมยตา ความไม่ต้องอาศัยหรือไม่ต้องผูกพันอะไรกับสิ่งนั่นนั่นอีกต่อไปท่านทั้งหลายลองคิดดูว่าบรรดาธรรมะหัวข้อธรรมหลักธรรมอะไรที่ได้ฟังได้ยินได้ศึกษามาแล้วเนี่ยนี่ทำคนี้ไหมเมื่อกีนมีคำคนี้ไหมให้พูดเป็นอย่างภาษาธรรมะสุภาพสุภาพก็บอความที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งนั่นอีกต่อไปกิดมันล่มเด็ดขาดลงไปว่าไม่ต้องอาศัยสิ่งนั่นอีกต่อไปจะมองเห็นไชัดเนจนแล้วนี่ยก็คจะไม่เคยได้ยนินแล้วถ้าได้ยินก็ไม่รู้จะเป็นบาปห ร, รืว่าอะไรทั้งที่มันมีอยู่ในกระจายิดก มันก็ไม่มีใครเคยเอามาให้ได้ยิ น, ยนเรนนี่ก็มาให้ได้ยินไว้สิ่งนันน้นเรียกว่ามะตาความที่ิตมันสูงถึงขนาดที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งที่เคยอาศัยมาแต่ก่อนออยึดต่อไปพูดอย่างตัวแทน่นกพูดแม้ว่ามันยึต่อไปพูดอย่างตแท่นพูดอย่างผืนากไม่ต้องอาศัยสิ่งนั้นอีกต่อไปพ้นจากคํานาปรุงแต่งของสิ่งนั้นเั็นเทิทีมันรวมความหมายต้งทง ว, วิมุตติหรือหลุดพ้นหรืออะไรหลายหลายงานละหลายง่ายหายมุมีสิ่งนี้มันมีสิ่งนี้แล้ามันเลดหลุดออกจากสิ่งนั้น เรามาจริงพูดแบบเรียบเหมือนดาบเล่นสุดา ย, สายใช่แล้วเหมือนเรื่องหมดเรื่องกรจกนะ้พูในทางคนเสียบททางคนเพคน เ, นเพชรน้ำเอกรุงสุดได้แล้วกนหมดเรื่องกันนะ <c oughs> มันเป็นเรื่องที <c oughs> ถ้ากันยากอย่างนี้แหละเอาไปพิจรารณาดูเถอดก็จะเห็นด้วยว่าทาไมจึงไม่เอามาพูดจึงไม่อาจจะเอามาพูดลยว่าเป็นสิบสิบปีถ้าท่านตางหลายแต่ราเริ่ไรู้ดีก็พอจะเห็นได้ว่าึก็อาจะพูดเรื่องอีทัปัยตาอีทัปัสยตาให้เป็นทีตัดใจจนพูดกันได้ติดปากแต่หลายๆคนมันกินเวลาตั้งสามส มันเคยฟุ้นมาแล้สาสิบปีตั้งต้นมาแล้วว่าอีท่าจเปลด่ตาแไปอยู่ที่ปากพวเราเนี่ยคือว่าชุนยะตาเป็นยะตาวายจะพูผิดตาแลมาดกันได้ในหมู่นโ่ายต้องใชเวลาสังยี่สิบปียี่สิบปียี่สิปีาแล้วเพิ่รู้จักตัวนยะตาไม่ต่างกันมากถึงอย่างนั้นก็มีวายที่มีคนฟุ้ผิดผิดชุนยะตาซุนเปล่าซุนเล่าซูนยะนล่าและว่าุนถูกเรียกว่าซุนสูกใช้ความหมายผิดมันว่างมันว่างว่างจากความทิดมันถือมันแตู่นปล่ศูนเปล่าซุนเปล ก็ที่หมู่้าุยินได้นี่นมันสูเหล่ายเลยอย่างนี้เลยมันถูกคาว่าสูญญาตามันเป็นอะไรว่าสูญเหล่ามันก็ว่างจากตัวตนเขจะพัฒนาคว่าสุญญตากันพูดกันมาัึงยี่สิบปีทีนี่ก็มาถึงคำที่ยากทีนสุก็คือคำว่าตาตาตาเช่นนั้นเองเช่นนั้นเองก็จะต้องการได้ฟังการพูดเรื่องกันก็มาต้องใช้เวลาสิบปีสิบปีมาแล้วคำวาตาตาตัวมาอยู่ในจิตใจเขารู้ได้ว่าโเช่นนั้นเองตาตาตาแล้วเช่นนั้นเองแล้วมันก็มาินได้มันก็มันยิงมันถืม แต่มันมีอาการอีั้นึีกขั้นตอนหนึ่งอยู่ในระหว่างนั้นเห็นตาตาตาตาเช่นนั้นเองแล้วนี่เกิดความรู้สึกว่าโอ้เลิกกันทีแยกกันีเลิกคากันที่อายไม่มึหนไป่คุ้พันกับมึงอีต่อไปมึงจะสร้างกูรุแรงกู้ไม่ได้ต่อไปเนี่ยขั้นนีนขั้นที่ต้ัที่สุดมันก็ดับมันุดทรียกว่าอัมมายตาเพิ่งมาพูดกันที่เรต้อนันมานี่เองเรองต้อนวันมานี่เองจะคาดดีได้อย่างไรเรื่องอีทาปัจเจต่างใช้เวลาสามสิบปี ที่นี่มันเรื่องนี้มันลึกซงให้มาพูดกันเมื่อวานนี้เองเนี่ยจะกระจายได้อย่างไรถ้าไม่ให้ความร่วมมือคิดลึกษากระจายจริงๆแล้วมันต้องารก็ยังยังรออีกนานเนถ้าเขาให้สังเกตดูดีเถอดเขาจะกระจายได้มันมลึกเกินไปคาสอนของรัฐปาเจ้าม่ลึกเกินวิสัยมันอยู่ในวิสัยที่คอจะเข้าใจได้แต่ต้องกาทำให้ดีๆการทำให้ดีๆฟังให้ดีๆคิดให้ดีๆฝึกปฏิบัติให้ดีๆะายกันได้ก็จะสังเกตเห็นล้วกระจยได้โอ้ทำมาตาคืออะไรพูดง่ายๆเราไม่เอากรมังนิกาไปมันยืนกระมังนุการุปแล้ ในเอเงกนนิพพานนี่ยเรื่อยู่ที่บ้านะมึงจะนอนไม่หลับหรือรถควรอะไรรถควรจิตใจรถควรจิตใจจนนอนไมหลับถ้าตัดอกนี้ก็มึงจะไปังหัมมงนี้มก็นอนหลับแหละความหมายของคำปฏิตาคืออย่างนี้แล้วร้ายคนจะเคได้ใช้มาแล้วด้วยใชลักษณะอย่างนี้ไม่รู้จักมันจะเรียกว่าอะไรเรื่องะไรมันรถควรจิตใจอยู่ที่อุบายละมันก็ไม่ได้เอามาใส่นก็ตัดเอาตัดเอาละมันก็ไม่ออกแต่ละออกไปได้ไหนลั๊กออกไปได้ไหนคือความหมายของคาว่าธรรมยะตา ก็ while, kind of medic, ให้ติดแน่น่ในความจำคำคานี้ไปนอนควันวอาตมมายตาให้ละเมอวะอาตมมายาตาพอใจเดีมันจะช่วยได้หรือเป็นอาการที่มันช่วยได้หรือมันหลุดรอดได้อะไรอะไรที่เคยริถือผูกพันอยู่ตลอดเวลาที่เริ่มาแล้วมันก็าดแล้วทั้งนั้น่ในไงของความรักก็ดีในไงของความโกรธก็ดีในไงองความกัวก็ดีมันกัดา้สลาบออกไปไม่ได้ถ้ามีปัญญาสลับออกไปได้ถ้าไม่มีปัญญาจะทำยังไงก็ขาให้ใช้มนมนภาษาอย่างที่ว่ามาแล้วสำหรับผู้ท่ไมมีปัญญา ใช่คาถางง่ายไล่ต่อเพื่อนมันออกไปกูมลกันมึนไปไปไปไปไปไปไปไปทำเดียวยามันจะเรียกเรียกพยาธิใจเรียกว่าอกากรมมายาตามช่วยไล่ช่วยใเมื่อมันถึงันนี้แล้วหมดเลยมันันจะตัดได้หมดเลยตัดงันสุด ท, ท้ายทีเรียวว่าเอกตตะอุเบคานานัสตะอุเบคาตัดกอกต้ามุกอภูศนทั้งหลายมาติดอยู่ที่เอกตตะอุเบคาพมนสุดทาา้ายอากมมายาตามก็ตัดเอกตตะอุเบคาหมดเลยพูดง่ายๆว่ามันทีแรกคนเราติดจมอยู่ในเรื่องของของสมัติารมมการมรรมนี่ ตัด ไ, ได้เลยนาหน้าเสเอกขาคือมีติเป็นสมาธิเป็นรูปประชานทรนใดช่านหนึ่งเป็นสมาธิที่มีรูปมันก็มีหลายชนิดึงเรียกว่ากุเบขาหลายชนิดท่้นต่อมาตัดนานักตะอุเบขาเสียเลเอกตะเบืขาคือรูปประชานรูปปัน่านสุดท้ายคือในวสัญญานาสัญญาณ น, านาญญาะญญเนี่ยก็ตัดนานักตะุเบข า, าเลือยอยู่เป็นเอกตะอุเบขางไม่หลุดพน้นเมืออุทกรดาบรามบุตรก็มางสุดอยู่ที่ตรงนี้แ้วพระเาไปศึกษาแล้วกไม่เห็นเลท่านก่เอาต้องติดมาออมมหาพรฐาเองจนทุตม สิงที่เกิดสุขันเรีมันถึงวมันพาาไปนเรงถือต่อไปเป็นอธรรมไม่จะพากระัดเอกกรตาอุเบขาอันสุดท้ายอันเลื่นันปิดเสร็จนะคอยที่มันเป็นพบออกได้จบกันมันสูงสุดอย่างนี้ในเรื่องของการทีเสียบรรลุวิมุติความหลุดพ้นแต่แม้ในเรื่องของชาวบ้านโลกโลกโลกเนี้ยเราเคย้ยินได้ฟังอยู่บางคนนะเราเคยได้ยินได้ยินข่าวบางคนแล้วถือเป็นที่เชื่อถือได้ก้มีไม่กีคนบางคนบางคนแต่คน้ได้จริงตัดลูกที่เลวต่ลูกชายที่เลวตามอันสุขันตัดได้จริงสัขาได้เลย ก็แปลว่าคนนี้ใช้ทำมิจต้าได้ไหในเรื่องของโลกียะในโลกปัจจุบันนี้ก็น่าสนุกสนต่จะเพียงดเรองกลูกห er ิล nee so ูกชลูกอะไันเลวก็ยังยากที่ตัดออกไปได้แม่ร่ายมันไปมันกลับมาเป็นดูในอีกต้องการมันอีกแบตัดจะได้คามมีามคนตัดเด็ขแต่ก็มันวนนาแบบเขามีน้าต่าทำมิจต้ามชาติเด็ดขาดตัดไอ้สิ่งที่เคยรัเคยปลุกพันเคยอายเคยปุงแต่เคยูดกันออกไปจะได้องคิดดูสคัญทีมากน้อยสาคัญทีมากน้อ้องคัญจะเลยเป็นดาบเล่นสุดท้ายไหมสำคัญพอเลยกเป็นเพชรน้ำเอก ไม่สุดท้ายหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องลําบากบ้างต้อาช้าหน่อยที่จะศึกษาจะพูดจานที่นี้ก็อยากจะทบทวนความเข้าใจกันเครื่องหนึ่งในลําดับของธรรมะที่เราได้ผ่านกันมาแล้วอยากจะพูดว่าไม่ได้ผ่านมาแล้วเราผ่านกันมาแนั้นแหละไม่ชัดเจนไม่แจ่มแจ้งคือซับซ้อความเข้าใจกันบ่อยๆให้ชัดเจนให้แจ่มแจ้งเขาให้ไปฟังดีๆธรรมาจะไล่ไปตามลําดับอย่างการไล่รูปคล้องนะ ชุดแรที่ได้มาพูดก็คือพระรัตนตรัยนะครับใที่ตั้งที่กังเดียวจะพูดชุดแรกก็คือพระรัตนตรัยคือพระพุทธจะทพระสงคืออะไรก็พอจะรู้อยู่แล้วพอจะรู้กันอยู่แล้วว่าพระพุทธคืออะไรก็ทำคืออะไรจะส่งคืออะไรานพูดโดยละเอียดอีกเลยพาบางคนรัมาทพระพุทธเป็นพ่อกขาทำให้เป็นแม่เขาจม่เป็นที่ได้ขนาดนั้นนะทีนี้ไปดูต่อไปว่าพระธรรมพระธรรมแยกตัวออกมารวบคลอดออกมาเป็นปริญญาปฏิบัติปฏิเวท ถ้าทาคำเดียวแยกตัวงานเป็นปฏิยบคือความรู้ปฏิบัติคือการปฏิบัติปฏิเวที่ต้องการปฏิบัติได้ไปตามเลยถาทำคเดียวที่นี้คําที่สองคือปฏิบัติปฏิบัติคำที่สองแยกเลยออกมาเป็นสีนสมาธิปัญญาแยกมาเป็นสีนสมาธิปัญญาศีนคืออะไรสมาธิคืออะไรปัญญาคืออะไรก็พูดมาหนักไหมนะกหนาแล้วสีนคือพื้นฐานจะเกิดสมาธิสมาธิคือเครื่องมือที่จะช่วยเกิดปัญญา ทีนีมันเปิดปัญญาที้มาแล้วปัญญามันเห็นสิ่งทั้งสามอีก่งดูมันติกัส้นอีกสาามสมสามนี่ปัญญาก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปัญญาทอดออกมาเป็นความรู้เป็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังคือชุส่งมันน่าตัสามันเปลี่ยนแปลงเรื่อยเปลี่ยนแปลงเรื่อย้ก็ต้องดูกิเปลี่ยนแปลงด้วยกับความเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นทุกเป็นทุกนั้นเป็ย่สยต่อต้านคามทุกขนีดได้มันเป็นอนัตตาจะเรียกว่าปัญญาทขดออกมาทาให้เห็นอนิจจังทุกข ที่ดูจริงจังๆจริังาจริจังขารอันนี้จิงทุกังอนัตตามันมีลักษณะเป็นสามอย่างเลยคือเป็นธรรมัติตักตาเป็นการสั้งอยู่ตามธรรมดาและเป็นธรรมนิยามตาคือเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมดาแล้วก็มีลักษณะเป็นอีทัปัจจายตาคือเป็นเหตุเป็นปัจจัยอะไรกันเกิดขึ้นถ้าปัญญาเห็นอนจงทุกคังอนัตตาจริงแจ้งแจ้งชัดเจนจริงไมด้เห็นธรรมัติตักตาธรรมนิยามตาและอีทัพปัจจยตา้ามสิ่งเลย่ายดีทังเป็นสามสิ่งสามสิ่ง ถ้าเห็นในความเป็นไปตาธรรมดากลตธรรมดาเป็นธิทธปเจตาว่ามันเป็นอย่างนั้นทานั้นมันไม่เป็นอย่างอื่นแล้วมันก็จะเห็นสุญญตาสุญญตาเราว่างจากตัวตนว่างจากการรวมแสงว่างเป็นของว่างจากทํามหมายของตัวตนอสุญญาตาแล้วมันก็จะเห็นต่อไปโอ้เป็นตาตาตาตาตาชันนั่นเองฉันนั่นเองถ้าเห็นสุญญตาก็จะเห็นตาตาตาตาตาฉนนั้นเองพอเห็นตาตาถึงที่จุดึงแล้วมันก็จะหลุดในลักษณะที่ว่าไม่อาจใสสิ่งนั้นอีกต่อไปไม่ผูกพันกับสิ่งนั้นอีกต่อไปในว่างส่งนสิ่งนั้นอออตยา <Jub ilee> ดูดีควาเราเห็นสนยะตาถึงที่สุดก็จะเห็นตาตาตาเส็นนั่นเองเห็นตาตาเห็นนั่นเองที่สุดจะเห็นรู้สึกเป็นทารู้ตึกเป็นที่เราว่าอาธรรมวญญาณตาความที่อยู่กันไม่ได้แล้วอยู่กันไม่ได้แล้วต้องเลิกันที่ต้องออกจากกันที่เป็นอาธรรมวญญาตาสถานการณ์ของวิมุตกำลังวิมุตกำลังกาลังต่วิมุตน่าจะยังไม่เป็นตัววิมุตโดยเต็มที่มันต้องเป็นการวิมุตสถาการที่มันแต่วิมุตเนยานที่เป็นเสื่อนแสดงธรรมกิติว่ามันตั้งอยู่ตามธรรมดาอย่างไรนั่นก็สิ้ ตกลงที่ตรงนี้ต่อไปนี่ก็จะมีนิพพานญาณญาณที่เป็นไปเพื่อนิพพานหรืเป็นส่วนนิพพานต่อไปยังเกิดนิพพาโดยสมบูรณิราคะโดยสมบูรณ์เกิดเป็นตติมุตติยานะครับสนาโดยสมบูรณ์เป็นส่วนนิพพานญาณซึ่งจะแยกชื่อออกเป็นสี่ชื่อที่ชื่อกันได้มีหลายชื่อหลายสิบชื่อมั้งกันเนี่เอาเพียงว่านิพพานดราคะวิมุตตินิพพานก็มีไปนิพพานญาณหลับตาดูทีเดียวหมดทั้งจักรวาลบอพบว่าไปธรรมิทิยานมาหยุดที่ตรงอตรมไมัจจตา หลังจากอธรรมยตาแล้วก the right, right the like right. ็เป็นนิพพานายานยานใหม่นิพพานรอยานที่เป็นตัวนิพพานต่อไป้เรื่ประกอบไปประกแผ่นิพพานดีตลอดสายีดตลอดสายทั้งหมดของธรรมะต้องการตองการทีขั้นตอนทีระยะทีขั้นตอนแล้วก็ดูเห็นว่าอธรมยตามันอูที่ตรงไหนมันตั้งอยู่ตรงไหนมันจุดอยู่ที่ตรงไหนมันจุดที่ตรงไหนมันสุดท้ายของพวกธรรมะสิทิยานมจะเลยอยู่ตรงหัวต่อขั้นต่อฝายนี้เป็นธรรมะสิทิยานฝายนั่นเป็นนิพพานายานหอพูดกันง่ายๆอย่างก็าตัดูตรงที่ระวางติดหรดอลุดหนึ่งติดแล จะเป็นอนรรราตมายาตอะนี่เราพูอย่างธรรมชาติพูดอย่างวิทยาศาสตร์ที่เราพูดอย่างภาษาอื่นชื่อย่างอื่นเขาก็ไม่เหมือนกันเลยเ้าก็เรียกอย่างอื่นเสีไม่ได้เรียกว่าอรรราตมายตาแต่ลงตรงติ ด, ดาาที่รู้ก็ได้เช่นในวิปัสสนาญาณทาง้าตั้งแต่อุทยรพยางพิยานารรรยาพัุยานเรืยไปจนถึงกว่าสังขารรูปเบขาญาณความวางเฉยในสังขารทั้งหลายทั้งปวงได้สังขารรูปเบาาขาญาณอระมาภาิปัสนาธรในึน่เลยวยรูปผิวหา พวกนียาละกันนะฮะทังขาเบิกขา้วกันนคืออาการของอตมวิยตาต่อไปนี้ไปพูกพันกันต่อไปไม่ร้าด้วยกันต่อไปที่ว่าเป็นการแยกออกจากกันใช่ทำธรรมราคามันก็อยาขาดจากกันเมื่อที่พวเมีคู่นั้นหยาขาดจากกันแ่้งนี่เราจะอยาขาดจากอะไรไปหยาขาดจากสิ่งที่เราก็ยึดมั่นถือมันด้วยอุปาทานนั่นะมันจะมีอีอย่างีกิบอย่างก็ุดแท้แต่ตอนนี้เปรักสนิทเมืนพวเรามีที่รักกันสนิท ต่อมาเขาอ้าวนี่มันเลวร้ายมันเลวร้ายมันขบดมันอันตรายทีก็เลยพว่เรียนไปยาจากกันเดี๋ยวนี้เราไปยาขาดจากวัตถุของอุปาทานที่เคยมีมาแต่ก่อนเอาตัวอุปทานเนี่ยเป็นตัวเลวร้ายสำหรับไปยาขาดจากกันก็ฟังง่ายเพราะว่าเรื่องของอุปาทานนั้นก็เข้าใจกันอยู่อย่างดีแล้วม่าคืออะไรบ้างไม่ต้องอัจาไปเปิดดูหนังสือก็ได้เอาข้อที่หนึ่งกาโมปาทานกาโมปาทานอุปทานในกาโมเรีนระหว่างเพศ เคยยิดมันถึงมันทําไรเคยน่สนิทท่าไรเคยลึกลับเท่ไรเคยผูกพันเท่าไรอะไรเท่าไรโดยกามุปาทานนี่เป็นยาขาดจากกาแยกจากกันไม่อุปาทานกับางคนกจะตันหัวยาลูกยาเมีคนตันวแตนี้เป็นอุปมาอุปมาว่าเปรียบเทียบว่ามันยาข้าหลังไรมันเคยรับใครูกพันเน้แน่อย่างไรยาขาตจากสิ่งที่ผูกมัดวโดยกามุปาทานที่อัที่สอคิดถูกปาทานทานเคยยดมันถูกมันว่าเด็กทิิทิติดอุนี้ยิ่งไปขาดตามติดพิจิต ทีพูดกันไม่รู้เรื่องน่ะมันเพะมันมีทิฏฐิคนนั้นมันมีทิฏฐิมันพูดกันไม่รู้เรื่องมันยึดถือแต่ความเห็นนตนอย่างเดียวว่าถูกาเห็นขคนอื่นิดว่ามันยอมฟังเสียงใครมันมีทิฏฐิมันก็วดดีมันก็จห้องของคนวดยกหูชูหา้คนโง่ลนนี้มันมีความคิดชั่วขนาดนั้นน่ะที่มันมีคิดชั่วาปนี้มันเป็นผู้ที่มีความคิดชั่วขนาดชั่วนดในความปรมาทวดีนั้นไม่เคยมีโยนิโสมนสีปานไม่เคยมีโยนิโสมันนะสี่านมันจะพ ยัง ม, มีความคิดที่ถูกต้องมีความเห็นที่ถูกต้องโดยโยนิโซมันนะสิกามอย่ามีความผิดไม่เกี่ยวกับนาดโดยอวิชชาหรือเป็นความทานล้วนอีกต่อไปแต่เขาบอกว่าเป็นการยากยากกว่าเป็นละกาโุพาทานไปอีกในการเป็ละพิถิะลพิถิพิพังแน่นเป็นนิสัยยากกว่าการละกาโุพาทานไปอีกแต่ทำมันละไม่ได้มันก็ได้ก็เป็นคนโง่ตลอดไปมันโง่ตลอดไปแล้วมันจะไป็นเพี้ยนทีหลังเรื่อยๆไปแล้วมันก็ไม่ฉลาดมาดังนั้นอย่าขาดมันจะเผยพิถิอุพาทานให้ ข้อที่สามสีลับพระตูวาทานคำเนี่ยิบายาาายากจะม่ดูคเนอยิบายยากและติบายเป็นผิดๆแต่กะยึดในตัวอย่างยึดเป็นทีตัวอย่างของมันฉะนั้นไอ้ตัวแท้ตัวจริงความหมายแจริงของมันก็คือว่าถือเอาความหมายของสีลและววัดผิดความหมายที่ถูกต้องสีเข้าปฏิบัติทางสีก็ดีทางธรรที่จริง ว, วัดกดีเขามีความมุม่งหมายอย่างไรนั่นก็ยึดความมุ่งหมายผิดแล้ยึดถือในแพนดังนั้นปฏบัติสีลับพระตปวาทาน เป็นเหให้ไปเชื่อถือสิ่งศักดิ์สของักด e ิ์อวงสอ่อนวอนอะไรไปประมาณอยู้ไอ้นั้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวที่รับปฏิบติธรรมเป็นคนของมันไอ้ตัวอาการแท้ของมันยึดถือความหมายผิดๆแล้ก็อย่างไนไงชนดสีนี mm. น่มันมีค be ํามมุ่งหมายว่าจะเป็นบาดฐานของสมาธิสีนี่มีความมุ่งหมายจะเป็นบตรฐานของสมาธิแต่ว่ามันเป็นยึดถือคามมผิดลสีนเป็นตาตางมันจะไปชื่อสวรรค์ผูดง่ายๆครับๆฟังงให้สีนี่ตะตางจ่ไปชื่อสวรรค์แล้วก็เชื่อกันอย่างนั้ สีเป็นบันไดของสวรรค์พูดเคนโง่เป็นคนโง่มันจะได้ราคาสีจ้ไ่ั้นมันิไม่ยอราศีมันแต่ว่าสีโดยความุงหมายไม่ใชเป็นบันไดไปสวรรค์เพราะวสวรรค์เป็นที่หลอกลวงูกพันอยู่ในกองทุกข์สีโดยทํามหมายแท้จริงเพื่อให้เกิดสมาธิเื่อเป็นความสงบสุขที่นี่ไม่มีความว่นที่นี่นี่หมาจริงแต่เขาก็ไปนิดเียวความหมายผิดเป็นอย่างอื่นเสียหวัสาธิสมาธิมันนีความหมายที่แท้จริงเพื่อเป็นบาตรานของปัญญาถ้ามันก็ยึดถือเอาเป็นว่าสมาธินี่จะได มันทำสมาธิเ่เหาะได้นไม่ใช่สมาธิ่เป็นบารฐานของปัญญานี่แหละวันือความหมายของสมาธิปิดไปแล้วไม่ช่เพเป็นบาตรฐานของปัญญาไปแล้วมันถประโยช์ในุันต่างหาก ก, านนก็จะใช้ประโยชนเป็นวัตถุที่ต้องไปยังหอเรยอากาศลองพนให้ตัว ด, ดินอะไรได้คลองสมาธิถ้ามีความเชื่ออย่างนี้เป็นีลักกระตกป ร, รามาสเกี่ยวกับสมาธิาที่นี่มาที่ปัญญาหรือวิปัสสนาความม่งหมาย่จริงเพื่อเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามมุ่งหมายของปัญญาหรือวิปัสสนาเห็นจะเห็นอนิจจัง แต่เดนนี้ค้าบทำมีปรัชนาเคยเห็นตัวเลขไม่เคเห็นรบกเป็นสวรรค์เห็นก็ไม่รู้บาบตามเรื่องตนั้นไม่ใช่ความมุ่งหมายต้ทของปัญญานี่ถือความหมายผิดอล้วมันเป็นสีลพตปรามาในส่วนของปัญญานี่ดูวดาตัวดีั้นาที่ก็ดีปัญญาก็ดีมีความหมายมุ่งหมายถูกต้งอย่างนั้นมันคือผิดที่ถือผิดนเขาเรียกว่าปรามาสปรามสีลพตปรามาแปลว่าลูกคลำศีลและวัดผิดผิดของมันดีมันถูกต้องมันสะอาดมันก็ปลูกคลำผิดผิดให้เป็นของสกปรกไปเสียสีลพตปราม ทำให้ตกตกลูกล้ำย่ำยีตกต ก, ตกซึ่งสีล์และวัตนะมีความมุ่งไหมมันจะหลุดพ้นเป็นในพานมาไปเลื่อนบางี่เลเสียสนิยาขาดจากมันจะเพิดปปนัสิรปตุอาทานที่นี้อัตถวาทุกอาทานญาตสุขายันสุขายยมันถือมันจนพูดกมาว่าตนอัตตวะทะอุอาทานยึนมันถือมันจนทำให้ปากพูดออกมาว่าตน ว, ว่าตัวคู่ของคูนี้เรื่องเล่ามากมายตัวพูดจะมามักมาดั้จะไม่ได้ตามใจแล้เกนตัวู่ท้งูทั้งหลายนี่เป็น อ, อัตตวา ท, า, าทุกอาทานละาติสุข ทลก็เป็นอุปาทานนี่แหละแล้วก็ได้อาศัยอุปาทานนี้เป็นคู่ชีวิตจิตใจที่า่อพวพันกเป็นสิ่ง อ, อีกมันสังแนงอยู่กับอุปาทานหลังนี้ยาขาดมันจะเดือดยาขาดมันจะเดิดอาการที่แยกตัวมาจะได้ในคู่ความติดต่อไปนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าอตะ ต, อตมยตาอะตมยตาเดี๋ยวนี้เราหลุดพ้นไม่ได้เพราะเราไม่มีอตมะตมยตาไม่มีการป่วางไม่มีการสลับต่ความรู้มัน่นถือมั่นที่อตมยตาทหมาอย่างนี้เขาจะพูดถึงการอยู่บ้างก็ในคาพูดอย่างอื่น่าท่ไม่ได้ยินคาว่า แต่ที่เป็นคำเค้มขนสรุปความว่าดีที่สุดทาที่สุดในการีในพระพุทธาสาิแล้วก็คือคาว่าอะตมยตาไม่อาสิ่งนั้นอีกต่อไปไม่ยอมให้ถูกปรุงแต่งด้วยสิ่งนั้นอีกต่อไปถูกที่สุดก่อนิงปรุงแต่งเราเรื่อยปรุงแต่งเรารื่อยปรุงแต่งอยู่ทุกวันทุกเวลาจนมาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้มันจะมรงแต่งเราไม่ได้ต่อไปอาการนี้เรียกว่าอะตมยตานี่เ็นมาเป็นอุปทานที่จะต้องจะต้องยาขับยากันอาการทุกอย่างงมีมากมายม่แต่ที่เรียกว่าอาหารนะว่าลิบะระอาหาร ตัว่าจะตายก็ไม่ได้กินอาหารแต่ล้มละในอาหารกับผูกพันว่าอย่างยิ่งปัญญาขาดจาก น, าาานาั้นจะเกิดอนี่ยไปล้มละผูกพันในอาหารก <c oughs> ิเลสทั้งหลายเนี่ยผูกพันกันในอย่างไรเนี่ยแยกกันจะเถิดยาขาดนาั้นจะเถิดนั่นช่างที่เป็นกิเลส ก, ก็ดีนั่นช่างที่เป็นอนุสัยก็ดีนั่นช่างที่เป็นอาสวะก็ดียาขาดจากมันจะเถิดอีกอันหนึ่งก็คือความโง่หรืออวิชชาถ้าไม่เคยมีตัวตนมีตัวตนมีเจตนาทำอะไรก็เป็นกรรมกรรมการกระทํางกรดีกรรมชั่วมัมีผลของการกระทําผลกรรมแล้วก็มีการที่ต้องไปตามมความโโงงนนนนีมมััเป็ํามัญของ มีการต้องเป็นไปตามกรรมถ้ามันไม่ง่มันไม่มีตัวกูของกูไม่มีตัวบุคคนั้นมันทำอะไรไม่เป็นกรรมไม่ต้องมีกรรมไม่ต้องเป็นกรรมไม่มีคลกรรมไม่ต้องเป็นไปตามกรรมนี่เรียกว่าเราสามารถจะ่้นจากกรรมยู่เนื้อกรรมไม่ต้องเป็นไปตามกรรมมันมัท่องรกูจะต้องเป็นไปตามกรรมไม่พนจากกรรมไปได้มันโง่เองนี่พระพุทธเจ้าป็นบัติล้าาม่อะจ้าสาจะาการมิตรแล้วนจากกรรมเกิดามแก่ความตยควาย้นจากกรรมพนจากความปิดกรรมไปตามกรรมยืเนื้อกรรมหรื้นกรรมมันเอามาพูดมันเอามาสมันเามาท่องมนเอามา้าม กูมีเป็นองวจะต้องเป็นตามคำทำคำไป้างเป็นตามแหกรรมนันนั่นมันคนโง่นะมันพูดขึ้นเดียวมันรู้ขึ้นเดียวความจริงขึ้นเดียวสาหรับคนโง่นะคนมีอวิชชานะถ้ามันไม่มีวิชชามันไม่มีอาการอย่างนี้มันไม่มีตัวคู่ทำามได้ินะถ้ามันมีอวิชชามันอีอวิชชามันจะมีตัวคู่มีตัวคูก็มีตัวตนนี่ทำครับผลกรรมเป็นไปตามคมถ้ามีวิชามันไม่มีตัวตนมันไม่มีครมันไม่มีคำไม่นั่นมันไม่มีการกระทันที่เป็นคำหรือคำเป็นไปตามคำนี่คือนิพพานสิ้ เมื่อที่พูดในวันธรรมมาฆบูชาไม่มีใครสนใจคนช่วถึงดีคนดีถึงว่างแต่ว่างนี่แหละมันคนหมดคนจากกรรมคนจากคนของกรรม <c oughs> พูดใท้มันสำหรับคนที่มีความรู้พื้นฐานตัวลงไปว่ากูต้องเรียนไว้ไปในวัดตาสงสารเิกเถิอดอย่าขาดจากวัตสงสารจะเถิด <c oughs> นี่เป็นเรื่องที่ว่าตัดขาดจากกัน <c oughs> เราจะพูดคงสามคาซึ่งมันมีประโยชน์มากเหมือนกันนะขอวาจะจำใ้เธ อ, เธอ <c oughs> คนที่ลาดมันก็ทาบุญต่ออายุ <c oughs> คนที่มีความรู้มีสติปัญญาบ้างก็จะทำบุญล่ออายุแตคนฉลาถึงที่สุดมีวิชาปัญญาถึงที่สุดมันจะทาบุญตัดขาดจากอายุหนักตัวกลาคนโง่ไม่กลปตัดขาดาอยุทุกปันต่ออายุต่ออายุทมบุญนี้มันประมาณต่ออายุต่ออายุนึ่งแบบนี้อย่างล่ออายุล่ออายุโอั้งหน้าคุว่ามันหลอกดเกินเลย่เาล่ออายุอย่างนึ่เรื่องมันยิ่งก่ล่ออายุนะมันตัดขาดจมันจะเลย่มีความหมายไม่มีความหมายที่จะมาเป็นเพื่อภพภายในก่อนไป ถ้าตา3าคำนี้ไว้ได้มันช่วยให้ง่ายขึ้นในการติดแยกแยกแยกตัวกับสิ่งที่ผูกพันติดใจให้เป็นทุกเ ร, รอนคนงูล่ออาปตออายุต่ออายุไปล้คนที่มีมีความรู้ก็ลออายุเล่นคนที่กล้าหานที่สุดตัขดขาดข อ, อายุตัขดขาดข อ, อายุขู้เาก็มืออายุเป็นของอายุเป็นของอะไรไปเป็นของน้ำเป็นของอะไรไปสติปัญญาในงานสิ่งนั้นมาเป็นเป็นตัวคู่มาเป็นของคู่มันัขดขาดจากอายุหน้าตัวนะัถ้าใครไปผิดไปจะเห็นว่าตายการตายแน่แนมาช่วยให้ตายค่ยาวในัญญาขอมันมีรับ เป็นยาสนุกตายก่อนตายสมายเหลือนั่นเหลือทำการนคิดว่าควรหมตายมันรู้เท่านั้นมันรู้แค่นั้นความตายที่ไม่ตายมันไม่รู้นี่ก็เกันสัตขาดต่างอายุมายินดีมายืดเยายาลายอาร้อนจากอายุการปัดผาเราไปได้หลังนี้คือความหมาของอะตมยตาคู่ไม่อายมือกี่ต่อไปธรรมะเป็นคนพูดยาพูดเลพูดยากายปันผ่านแต่ั้ามันก็ช่วยไม่ได้พูดอย่างอื่นไม่เข้าใจเไม่ต้องพูดอย่างภาษาถามบ้านเดาผานต่อไปนี่ธรรมะคูไม่อายมือกี่ต่อไปนี่คือความหมายตรงคำว่าอะตมยตาเป็นคำสูงสุดในคำพูดศาสนา เนี่ยม้อมกันแล้วไม่เข้าใจว่าอะไรสบั้ปทิ้งไว้เป็นคำอะไรก็รู้คมีตาบางคำมีตาบ้างแคมตาก็ไม่รู้อะไรที่เป็นว่ามันยากที่จะศึกษายากที่จะเข้ารยากที่จะปฏิบัติได้มันจิงกินเวลามันจึงรอเวลามันจึงเพิเอามาพูดมันพวกครบทั้งหลายทั้งจังหวัดตักแกงทั้งหลานอย่ามันดามาว่าสมัยก็วิ่งเวลามันก็ลอยครบมันก็หายเป็นบาจังหวัดมันหายเป็นจังหวัดมันไปรู้รักแกงกันมั้ง แล้วจรงเรื่องนี้มาพูดกับกบเรื่องนี้มาพูดกับสวักแก้ให้มันขอจะรู้ได้ตามสุขุมเรื่องนี้ฟันลมก่อนอัตม์มัตาพูดสาหรับวันนี้เรียกว่ามันเป็นเรื่องพิเศษมันเป็นได้คะนนขอกาที่มันทำให้คนิดกันได้วันนี้เราพูดกันเรื่องอัตม์มัตาพิดทีผทีมันยังไม่าพูดีกที็พูดในแง่ฟันล้มหรือผล้างเทียงผล้างเทียงไม่ได้โท้ายจริงแต่ไม่ได้โดน่างจริงเลยก้อยพวกกบหลานั้นหายเป็นกบไปเรื่อยๆให้สวัสดิ์หลานั้นหายเป็นสวัสให้รู้ เรื่องของอตาตมยต า, าก็จะไม่เป็นมันจะไม่ตูนเปล่าจะไม่เป็นมันเงียบอยู่มันจะม่เป็นเรื่องที่ช้ปรโยชน์ไทั้งเรื่องโรจีะละหรือโรุจัลละมันจะอยู่ในโลกนี่ลไม่ใช่ไปนิพพานแต่อ ย, อยู่ในโลกนี่ก็รู้จักใช้อัตมยต า, าในบางกรณีอที่ตัดขาดมาบางทีถ้าเรื่องนี้มันรบกวนจิตใจไม่มีทีตสิ้นสุดจะเป็นของรักชนิดไหนเป็นรัสมบัติรัสถานแต่วเงินทออนาเปันธยาสามีก็ต้งใช้วิธีนี้เถอะแต่ยาข้าราชกาสอให้โหดร้ายโหดร้ายต่อกันธุยาสามีนั่นมันในกรณีที่มันทำกันไม่ ก็ดความหมายของอาตมเมตตาไม่มีโย่อยญ่ผูกพันยิ่งียากันแล้วก็ยังแอบไปหาติดอยู่มันยังมีความรักมีความอะไรสัดไม่ได้มันเป็นของที่ตัดยากสรุปความว่าเาได้พูดถึงดาบเล่อสุดท้ายของพระทรแล้วมันจะไม่มีเรื่องอะไรที่จะพูดถต่อไปแล้วจะสูงไปเรื่องนี้ในด้านของธรรมนิจยานี่มันไม่มีแล้วมันสูงสุดแล้วแค่อตมมตาทศวรรีเพื่อความกระจ่างกระจาพระพุทธจะทำพระสงเราก็มีสิ่สมาธิปัญญาเราก็มีปิญตปฏิบัติปฏิเวแต่พระพุทธจะทำพระสงเราก็มีปฏิญาตปฏ จากไปรัปฏิบาติปฏิเวทเราก็มีสีลสมาธิปัญญาจากศีลสมาธิปัญญาเราก็มีอนิจจังทุกขังอนัตตาแต้วอกันนั้นี่บช้นกันได้เราก็มีธรรมะิตตาธรมนิยา ม, ต, ม ต, ตาอิัปเทตตาที่มอ ง, งอย่น้เเห็นึขึ้นาก็มีสุญญาตาตตาแลกรรยะมม ต, ตาจบดาบเล่มสุดท้ายของฝายธรรมะิทิยานคือความรู้ดังเป็นจิข อ, ของธรรมชาติของสังขารของภูง่คจะรู้ท่านรู้แลแ้วบบลอยวางแล้วจบอยู่ที่ธรัตานี่เป็นเงื่อนหตตอที่ว่าจะเข้าไปสูโลกุตรระเนี่ยทนไมขี้ยนนอก หลังจากสังขารเวขายาณวานเฉยในสังขารทั้งหลายทั้งปวงไดนะ้ก็มีอาการจะี่ก้าจากโลกียะไปสู่โลกุตตระตรงนั้นก็เริ่มมีโกรธยายนถึนนงเงื่ อ, ตอนตนั้นแหละเป็นหน้าที่ของอาตมเมตาแต่ที่รงมันเป็นจสัง้ารดุเวขาานมากกว่าตัดาจากสังขารที่เคย อ, อาศัยผูกพันโดยการปรุงแต่งโดยการถูกรุงแต่ง้วยการพอยใจยินดีในการปรุงแต่งเลิกความยินดีในสังขารในทุกๆความหมายเียมันก็จะเป็นอาตมมตาเรื่องนี้ ส, ส, สูงสุดสาคัญที่สุดแต่เราก็มาพูดกันอยู่ในป่าส้งสามคนไม่กี่คน มันเป็นเรื่องที่ควรพูดต่อคนทั้งโลกหลายพันล้านคนแต่ก็ไม่มีโอกาสไม่เร้มาพูดกันที่นี่ในป่านโยยงไม่กี่คนก็ ร, รู้ว่าถึงว่ามันเป็นเรื่องที่มีค่าสูงสุดที่จะพูดต่คนทั้งโลกมีใครตัดขาดจากสิ่ควรตัดขาดโดยอย่างยิ่งคือตัวกูตัวกูตัวกูนัยยะมันจะเถิดยาขาดจากตัวกูจะเถิดเป็นธรรมียต า, าสูงสุดไม่มีอะไรเรือยอยู่เป็นปัญหาอีกต่อไปการบรรยายก็สมควรแต่เวลาไม่ใช่สมควรต่เวลาอย่างเดียวเพราะหมดแรงพูดด้วยมันจะจเป็นจิตสังคติการบรรยายนั่นจึกขอจิตสังคติการบรรยายเป สวบทรธรรมคณะสาภยายแสดงคํา ท, ที่เป็นปัจจัยชงเสริมให้เกิดกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติใ้จนถึงที่สุดจนถึงแับว่ามีอาตมยาตาให้ได้ใ น, นนน ใ, ในการทุกคนต่ใไรในการระบานี้